พี่เป้คืนนี้อาจารย์ชวนไปดูฝนดาวตกพี่จะไปหรือเปล่าสมัมผัสสยองคืนป่าแตกฝนดาวตกสยองพี่เป้คนที่เดทพูดถึง เป็นนักศึกษาปีสองของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภาคเหนือเป้ B, เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในโคตานักกีฬาซึ่งเขาชื่นชอบการเล่นกีฬาเป็นชีวิต จ, จิตใจเป้ B, เป็นนักกีฬาฟันดาบของมหาวิทยาลัยจึงได้เข้าชมรมฟันดาบสากลซึ่งก็จะมีทั้งรุ่นพี่ปีสและปีสรวมทั้งรุ่นน้องปีหนึ่ง เข้ามาอยู่ชมรมด้วยมีอาจารย์ที่ควบคุมดูแลเป็นที่ปรึกษาของชมรมอยู่สองท่านซึ่งทั้งสองท่านนี้ดีกรีเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติดังนั้นชมรมฟันดาบของมหาวิทยาลัยจึงมีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับประเทศมีการแข่งขันฟันดาบที่ไหนถ้าชมรมนี้เข้าร่วมด้วย คู่แข่งก็มักจะมีอาการหนาวๆนาวร้อนร้อนอยู่เสมอชมรมนี้มีทั้งหมด10กว่าคนและจะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วคอยแวะเวียนมาให้กำลังใจเสมอการเป็นนักกีฬาไม่ว่าชนิดใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกซ้อมและการมีวินัยในตัวเองดังนั้นรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคนจึงมักจะมาออกกำลังกายในตอนเย็นของทุกวัน เล่นกีฬาและซ้อมด้วยกันจึงเกิดความสนิทสนมรักใคร่กันรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านก็ทุ่มเทเวลาให้กับนักศึกษาอย่างจริงจังโดยให้การสนับสนุนทุกๆด้านนักศึกษาทุกคนในชมรมจึงรักและเคารพอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างมากวันนี้เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี ที่จะเห็นดาวตกทั่วฟ้าเมืองไทยซึ่งจะตกตั้งแต่ตอนหนึ่งทุม่มจนถึงตีสี่ของวันรุ่งคืนแต่จะตกมากที่สุดในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองนอกจากนั้นก็จะนับได้ชั่วโมงและไม่เกิน10ถึง20ดวงเท่านั้นเป้จึงตอบตกลงจะไปดูฝนดาวตกร่วมกับชมรมโดยมีอาจารย์สองท่านเป็นคนพาไป สถานที่ที่น่าจะเห็นได้ชัดก็คือบนภูเขาที่ห่างไกลแสงสีดังนั้นตอนเย็นของวันนั้นทุกคนก็วางแผนการโดยอาจารย์จะนำรถปิกอัพสองตอนไปสองคันซึ่งสามารถบรรจุสมาชิกของชมรมได้ทั้งหมดเมื่อนับดูแล้วคนที่จะไปทั้งหมดก็มีสิบสามคนมีคนคนหนึ่งในนั้นพูดว่าเฮ้ มันจะบังเอิญอะไรอย่างนี้วะวันที่จะไปดูตรงกับวันศุกร์เราไปสิบสามคนก็เป็นศุกร์สิบสามเอสิเหมือนที่ฝรั่งถือว่าเป็นวันปล่อยผีฮ <conservatives> ทุกคนต่างหัวรอแล้ว น, นนก็พูดกินว่า He her, ไอ้บ้าเขาหมายถึงวันศุกร์ตรงกับวันที่13บสามเวย้ยไม่ใช่วันศุกร์ไปส3บสามคนอาจารย์วีระซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสกว่าเพื่อน ก็พูดขึ้นว่านี่เมืองไทยนะเราไม่ถือกันหรอกไม่นานนากักอาจารย์สักดาก็เดินมาบอกว่าได้ไปซื้อเนื้อหมูมาสมกิโลกรัมเครื่องปรุงและน้ำจิม้มวันนี้เราจะไปกินเนื้อย่างเกาหลีกันที่ที่เราจะไปดูฝนดาวตกนั่นแหละและมอบหมายให้จุกกับมะขามไปซื้อจำพวกผักต่างๆที่ตลาดมาด้วยจะว่าไปแล้ว ฝีมือทำน้ำจิ้มของอาจารย์สักดารสชาติก็จัดจ้านเลยทีเดียวทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสส่วนอาจารย์วีระทำหน้าที่จัดเตรียมพวกกล้องดูดาวเพราะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์หลังจากเตรียมของเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวเดินทางโดยนัดกันที่ชมรม เวลาหโมงเย็นเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วรถก็เคลื่อนขบวนออกเดินทางไปที่ภูเขาซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยไปประมาณ60กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณเกือบสองชั่วโมงเพราะวันนั้นดูเหมือนผู้คนใช้รถใช้ถนนกันมาทำให้รถติดล่าช้าคงเป็นเพราะ ตางคนก็จะไปดูฝนดาวตกกันสถานที่ที่อาจารย์ทั้งสองท่านพาไปเป็นเนินเขาอยู่ห่างจากหมู่บ้านคนเพราะต้องการสถานที่เงียบสงบไม่มีคนวุ่นวายและไม่มีแสงไฟรบกวนพอไปถึงทุกคนก็จัดแจงนําสัมภาระลงจากรถรวมทั้งเต็นท์นอนเพราะทุกคนกลับมาครั้งนี้ เป็นการปิกนิกและดูดาวพอรุ่งเช้าค่อยกลับเต็นที่นำมาก็เป็นเต็นแบบง่ายๆปลดลอกก็จะกางโดยอัตโนมัติพอกางเต็นเสร็จก็ปูเสือ่อจัดแจงพื้นที่จุดเตาถ่ า, านนำกระทะตั้งไฟเสร็จแล้วก็ลงมือปิ้งย่างกินกันเนื้อที่ย่างนั้นพอโดนไฟก็หอมฉุย น้ำจิ้มก็รแสแซบได้ใจน้ำซุปก็อร่อยกินกันไปพูดคุยกันไปอย่างสนุกสนานพอกินกันค่อนข้างจะอิ่มแล้วก็เลยชักชวนกันไปนอนดูดาวตกกลุ่มที่ไปนี้เป็นกลุ่มนักกีฬาก็เลยไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ไม่อย่างนั้นคงต้องต่อกันอีกยาวขณะนั้นเป็นเวลาสามทุ่มกว่า ฝนดาวตกก็ตกแบบห่างๆนานๆทีจะแวบสักหนึ่งครั้งก็นอนคุยกันไปดูดาวตกกันเพลินจนเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มกว่านั่งท้องตึงนังตาก็ชักจะหย่อนยิ่งฟังเสียงอาจารย์วีราพูดด้านวิชาการชักชวนดูดาวโน่นนี่นั่นตาก็เริ่มเคิมๆจะหลับเสียให้ได้ทันใดนั้นเอง ทุกคนก็ต้องผวาตกใจเพราะมีเสียงร้องของสัตว์ฟังเสียงคล้ายเสือโครงร้องดังมาแต่ไกลสักพักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใครมาวิง่งและตามด้วยเสียงสิงสาราสัตว์ต่างๆดูเหมือนว่าพวกมันพากันวิงน่งหนีอะไรสักอย่างคล้ายกับป่าแตกทุกคนลุกขึ้นนั่งนิง่งต่างคนก็ต่างเงียบ พหยุดฟังเสียงที่ดังมาแล้วเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่นานนากักก็เห็นมีฝูงสัตว์ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นฝูงหมาป่าหรือฝูงลิงเพราะมองเห็นไม่ชัดมากนักพวกมันมุ่งตรงมายังเตาปิ้งเนื้อย่างที่พวกเรากินแล้วยังเหลืออยู่กล่าวว่าถ้าหิวก็จะไปกินต่ออาจารย์ศักดิ์ดาเห็นดังนั้นก็เลยไปหยิบปืนพก ที่นำติดตัวมาด้วยยิงขึ้นฟ้าไปสองนัดทำให้ฝูงสัตว์เหล่านั้นแตกกระจิงหนีเข้าป่ารวมทั้งเสียงสัตว์ที่ร้องในป่าก็เงียบเสียงไปด้วยเมื่อเหตุการณ์กลับเป็นปกติทุกคนก็เลยล้มตัวลงนอนดูดาวตกกันต่ออาจารย์วีราชีชวนให้ดูดาวต่างๆคืนนี้ เป็นคืนเดือนมืดดวงดาวต่างๆจึงออกมาเล่นแสงระยิบระยับอาจารย์วีระสมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทหาวัตถุบนท้องฟ้าจริงๆท่านให้ความรู้เรื่องดวงดาวรวมทั้งเล่าประวัติดวงดาวดวงนั้นดวงนี้พร้อมกับเสียงโห่ร้องของกลุ่มนักศึกษาที่เห็นดาวตกลงเป็นระยะระยะยิ่งดึกฝนดาวตกก็ยิ่งเหมือนกับห่าฝน มันสวยงามมากขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆทุกคนกําลังเพลิดเพลินกับการนอนดูดาวตกนอนเองเกิดอาการปวดฉี่จึงลุกขึ้นมาจะไปฉี่แถวบริเวณพุ่มไม้ไกลๆแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นแสงไฟเป็นดวงๆกําลังลอยมาเป็นกลุ่มระยิบระยับบางดวงลอยมาเป็นเหมือนลูกไฟ บางดวงก็มาเป็นแบบคูคูนนจึงรีบวิ่งมาบอกทุกคนให้มาดูแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงสิงสาราศรบริเวณรอบๆแตกตื่นเสียงดังโอลเวงอาจารย์วีระจึงร้องตะโกนบอกทุกคนว่ารีบเก็บข้าของขึ้นรถป่าแตกแล้วผีดงผีไพรากาลังจะออกมาสิ้นเสียงของอาจารย์วีระ ทุกคนเหมือนตัวมีสปริงเด้งขึ้นมาเก็บข้าวของกันจ้าละวันแล้วก็กระโดดขึ้นรถอาจารย์วีร์ ก, กับอาจารย์ศักดาขึ้นรถของตัวเองแล้วเร่งรถอย่างเร็วแต่ทางเข้าป่าที่พวกเราเข้ามานั้นเป็นถนนรูกลังรถก็เลยเร่งเครื่องได้ไม่เต็มทีมะขามแมนและบวยนั่งอยู่ท้ายกระบะของรถคันหลัง โอ้ยคุณพราช่วยสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นผีดงผีป่าจริงๆแสงไฟที่เห็นเป็นกลุ่มลอยมาเป็นแสงของผีขโมดซึ่งเป็นผีชนิดหนึ่งในจำพวกผีกระสือหรือผีโพงและยังมีผีพรายผีป่าคอยาวแขนขายาวตัว ผ, มผอมผอมหน้าตาบิดเบี้ยวกำลังกรีดร้องไล่ตามหลังรถมา นักศึกษาทุกคนกลัวมากรีบตะโกนบอกให้อาจารย์วีระขับรถเร็วๆมันตามมาแล้วทุกคนเหงื่อแตกหน้าซีดขวัญกระเจิงอย่างหนักสักพักก็ขับออกมาถึงถนนใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบลงทุกคนถอนหายใจโล่งอกและคงเขตจะไม่ขอเข้าป่าตอนกลางคืนแบบนี้อีกแล้ว เมื่อกลับมาถึงที่ชมรมทุกคนก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่จบอาจารย์วีราก็ถามทุกคนว่าใครทาอะไรไม่ดีลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรนนท์เองก็บอกว่าเขาปวดฉี่แต่ยังไม่ทันได้ฉี่เลยแล้วเหตุการณ์ที่ชมรมเจอผีก็เลื่องลือไปทุกคณะในมหาวิทยาลัย แต่เหตุการณ์มันยังไม่จบเพียงเท่านี้อาจารย์ศักดา์าหลังกลับจากดูดาวแกก็มีอาการไม่สบายไม่ยอมกินข้าวกินปลาดื่มกินอะไรไม่ได้แกพยายามจะกินแต่ก็มีอาการอ้วกออกมาจนร่างกายแกผอมลงเรื่อยๆพอพาไปโรงพยาบาลหมอก็ตรวจไม่พบสาเหตุของโรคทำให้ทุกคนเป็นห่วงว่าแกเป็นโรคอะไร เวลาผ่านไปจนวันหนึ่งทางชมรมได้ส่งนักศึกษาไปแข่งฟันดาบระดับจังหวัดและได้เหรียญทองกลับมาจึงคิดว่าจะพากันไปฉลองที่ร้านหมูกระทะชื่อดังที่ตั้งอยู่ริมถนนใกล้ๆกับมหาวิทยาลัย อ, อาจารย์วันดีซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำคณะที่เป้เรียนอยู่แกเดินผ่านมาพอดีเป้จึงชวนอาจารย์วันดีไปฉลองด้วยกัน อาจารย์วันดีแกค่อนข้างเป็นคนรรมะรรมโมพอ ร, รู้ว่าเราจะไปกินหมูกระทะกันแกก็ตอบกลับมาว่าครูไม่ไปหรอกครูจะไม่กินอาหารปิ้งย่างที่ส่งกลิ่นเหม็นตามข้างทางกลัวว่าพวกผีเร่ร่อนสัมภเวสีที่ไม่มีที่อยู่จะผ่านมาแล้วมาทานหมูกระทะด้วยทุกคนในชมรมแอบอมยิม้ม กับวิธีคิดของอาจารย์วันดีมีเพียงแต่เปที่ฉุกคิดถึงคำพูดของครูวันดีเพราะวันที่ไปดูดาวตกกันพวกชมรมก็ทำเนื้อย่างเกาหลีมีการปิ้งยางกลิ่นคลาดคลุ้งเต็มป่าโดยที่ไม่ได้แบ่งปันอาหารให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาผีพวกนั้นคงอยากจะกินก็ได้เลยตามมาทำร้ายอาจารย์ศักดา เมจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์วีระและสมาชิกของชมดมเย็นวันนั้นทุกคนจึงตัดสินใจกลับไปที่ป่านั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับมาพร้อมด้วยหมูกระทะหม้อใหญ่พอไปถึงอาจารย์วีระก็ทำพิธีจุดธูปหนึ่งดอกและกล่าวขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาพร้อมทั้งินเชิญให้มาทานหมูกระทะที่นามาถวาย ทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่สว่างอยู่ก็มืดคลึมความมืดเข้าปกคลุมไปทั่วป่าทั้งอาจารย์และลูกศิษย์รีบกระโดดขึ้นรถแล้วขับออกมาจากป่าโดยที่ทุกคนไม่กล้าหันหลังไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยไม่นานหลังจากนั้นอาจารย์ศักดาก็กลับมาทำงานได้และตอนพักเที่ยง ทุกคนก็เห็นอาจารย์นั่งทานข้าวอย่างอร็จอร่อยและมีใบหน้าที่สดใสผิดจากก่อนหน้านั้นโดยสิ้นเชิง ส, สัมผัสสยอง